บุ๊ก <Book> 2ห้ 2> ประเทศและภาษ า, า, า, ษาจอห์นมาจากลอนดอนจอห์นสลอนดอนลอนดอนอยู่ในประเทศอังกฤษ ลอนดอน з н а х о д ั้ย์ซูววิลีกาบริทันีเขาพูดภาษาอังกฤษยน раз งแมวล่ย่าปั้นฮล к у คูมาเรียมาจากมดริดมาเรียซ์มาดริดมดริดอยู่ในประเทศสเปนมาดริด з ์น่ะคุณจะสวิสปาญีเธอพูดภาษาสเปน Яна размахивает на испанской мове. Питер и Марта มา Берлин. п и е р а Берлина. н х о д и т с я ж Германии. Вы о б о и р а з м а х л я е т е по немецку? ลอนดอนเป็นเมืองหลวงลอนดอนเฮต с ส о ตล ц а มาดริดและเบอร์ลินก็เป็นเมืองหลวงมาดริดอิเบอร์ลินดัชซามาสเตลเมืองหลวงใหญ่และเสียงดัง с т ตลิ ц ซ в เวล к เกียอ м ชูเนียประเทศฝรั่งเศสอยู่ในทวีปยุโรป ฝสรปประเทศอียิปต์อยู่ในทวีปแ อ, อฟริกาปรประเทศญี่ปุ่นอยู่ในทวีปเอเชียญยจซวี ป, ประเทศแคนาดาอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ Канада з н а х о д з і ц ц а ў паўночнай Амерыцы ซ์ประเทศปานามาอยู่ในทวี ика, ปอเมริกากลาง п а н а м а з н а х о д з і ц ц а ў ц э н т р วีป а เมริก ы ใต้บราซิลย์ซนั่งอยู่จัดในทวีปอเมริกาใต้ б р а з ิลย я ซน а ่งอยู่ ц а ดซูในทวี ика, ปเอ а ика, ปเ а ริกาใ к กาลูาไปที่